จันโนพระจันสุรินแล้วก็เพื่อนสาธมิมก็เจริญพรมาอย่างแม่ชีเนาะแล้วก็พวกเราญาติโยมทั้งหลายยังเมืองเมื่อสักครู่เราก็สวดมงคลเนาะมงคลรสูตรก็เป็นเรื่องที่เทวดามนุษย์เนาะมไม่ใช่เทวดาเทวดาเนาะก็ถามว่า เราชีวิตเราจะทำยังไงให้ชีวิตเราดีขึ้นครับก็ปรากฏว่าพระเจ้าก็ได้ให้เนาะก็บอกเป็นเช่นเนาะเป็นเช่นเช่นมงคลเหล่านี้ให้มีในตนได้แล้วเนี่ยก็พุทธเจ้าก็ได้ให้เรื่องที่เราควรจะต้องทำเนาะในวันวันหนึ่งอ่ะโอ้ต้อง38อย่างนะฮะเราพวกเราได้ทํากันหรือเปล่าอะไรงเงี้ยเนาะมีเรื่องที่พวกเราจะได้เลือกทํากัน เยอะแยะไปหมดเลยทําหมดก็ได้ทําไม่หมดก็ได้แต่ว่าตรงนี้หมายถึงว่านี่คือสิ่งที่เรามีทั้งเลือกในชีวิตเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะฮะที่เราจะทําเรื่องที่ดีๆให้มีในตัวเราคือพอเราทําเรื่องเรื่องหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเรื่องนั้นก็เกิดขึ้นกับตัวเราเรื่องดีที่เราทํามันก็จะเป็นผลดีกับตัวเราเป็นผลดีกับกายเป็นผลดีกับใจ ถ้าหากว่าเราทำเรื่องไม่ดีก็เป็นผลไม่ดีกับตัวเราทั้งกายทั้งใจทำนองเดียวกันเรื่องที่เราทำดีเนาะก็จะเป็นเรื่องที่ส่งผลให้กับคนอื่นเราทำดีปุ๊บใช่มก็ส่งผลให้กับคนอื่นทันทีส่งผลให้กับเราทันทีทำนองเดียวกันพอเราทำไม่ดีก็ส่งผลให้กับเราแล้วก็ส่งผลให้กับคนอื่นทันทีตรงนี้เป็นสิ่งที่น่านสนใจว่าวันวันหนึ่งเนี่ยชีวิตเราเนาะ พันไปพันไปนาทีต่อนาทีที่เราใช้ไปก็เอาคืนไม่ได้สตังที่เราใช้ไปก็เอาคืนไม่ได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยพวกเราได้เอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยได้ใช้เป็นประโยชน์กับพวกเราได้ยังไงตรงนี้พระเจ้าก็ได้เรียกว่าได้มีพระมาหากรุณาธิคุณเนาะที่ได้ช่วยชีย้นําพวกเราว่าพวกเราควรจะทําอะไรกันเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยเนาะ การที่พวกเราได้เดินทางเข้ามาที่บัดนปาสุกโตก็เป็นอีกมิติหนึ่งของชีวิตเนาะอีกมิติหนึ่งของชีวิตเราเดินทางเข้ามาตรงนี้เราเข้ามาที่นี่เราควรจะทำอะไรให้กับชีวิตไม่ว่าเราจะเดินทางไปตรงไหนก็ตามตรงเนี้ยตรงนั้นก็หมายถึงว่าเราได้ใช้ชีวิตของเราได้ใช้กายของเราได้ใช้ใจของเราได้ใช้สิ่งที่เรามีเนาะ นั่นคือพอเราใช้เนี่ยสิ่งที่เรามีก็หมดไปหมดไปแต่ว่าทำนองเดียวกันเนี่ยการที่เราได้ใช้สิ่งที่เรามีให้หมดไปหมดไปเราจะเอาสิ่งที่เรามีอยู่มาทำประโยชน์กับพวกเรากับชีวิตของเราได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ได้ก็เรียกว่าอไาืได้ชี้ทางเนาะได้ชี้ทางให้พวกเรา สิ่งที่สําคัญที่สุดกับการที่เราได้เกิดมาในโลกนี้ก็คือเราเองก็ได้มีชีวิตอยู่เนะเาะแล้มีชีวิตอยู่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะใช้ชีวิตของเราทําอะไรกันตรงเนี้ยพุทธเจ้าก็ชี้เนาะบอกว่าเออเรามีชีวิตอยู่ตรงนี้เนี่ยเรามาเกิดมาเพื่อที่เราจะทําสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นมงคลกับชีวิตไหม นะคำว่าเป็นมงคลกับชีวิตตรงเนี้เนาะก็คือมงคลที่สูงสุดก็คือทํำยังไงถึงจะทําให้ชีวิตเราไม่มีทุกข์ตรงนี้เราได้ใช้โอกาสตรงนี้กันแล้วหรือยังแต่ว่าถึงเราไม่ได้ใช้เรายังไม่เคยใช้ยังไงก็ตามเนี่ยการเข้ามาที่ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการที่เข้ามาในพื้นที่ที่พระพุทธเจ้าได้เตรียมเอาไว้ให้เตรียมเอาไว้ให้ตั้งแต่แบบว่า 2,600 ปีที่แล้วเนาะ ได้เตรมมาไหมว่าเออถ้าเราพวกเราเข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกินอยู่หลับนอนอะไรของเราต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยก็เป็นไปเพื่อการที่จะทําให้ชีวิตของเราไม่มีทุกข์ตรงเนี้เป็นสิ่งที่สําคัญว่าเราก็ต้องหัดกันเนาะเรามีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เนาะก็มีชีวิตอยู่ก็มีการกินอยู่หลับนอนก็เป็นปกติกัน แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เราเป็นคนเนี่ยเรามีมากกว่านั้นก็คือเรามีโอกาสที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่มีทุกข์ตรงนี้สิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่มีโอกาสตรงนั้นเราได้ใช้โอกาสตรงนี้ของเรากันแล้วหรือยังถึงเราไม่มีโอกาสเนี่ยหรือเรายังไม่เคยใช้โอกาสตัวนั้ น, <S <S น, นพุทธเจ้าก็นแนะนำให้ว่าตรงนี้การที่เราได้ใช้ร่างกายไปนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าในขณะที่เราทากิจต่างๆเนี่ย เราจะมีการฝึกใจกันผ่านเนาะเาเรียกว่ากิจกรรมที่เราทำในชีวิตประจาวันที่นี่ก็เป็นอย่างนั้นเราก็ทำกันในพื้นที่ที่พระเจ้าได้เตรียมมาไว้ให้<ม>ก็คือพื้นที่วัดมาอารามที่เราจะได้ใช้อาศัยในการภาวนาการภาวนาก็คือการที่เราเนี่ยได้อาศัยชีวิตประจาวันของเรานะได้ฝึกจิตของเราไปด้วยการที่เราใช้กายของเราเนาะ ปรึกจิตของเราไปด้วยตรงนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยไม่ตกไปอยู่ในที่ที่เขาเรียกว่าเป็นทุกข์เป็นโศกกันคือถ้าจิตของเราตกเนาะพวกเราเองก็จะมีศัพท์คำนี้เนาะจิตตกพอจิตตกเนี่ยพวกเราก็รู้สึกได้เลยว่ามันมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ถ้าหากว่าเรายกจิตของเราให้สูงขึ้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจิตของเราก็จะไม่มัวหมองเนาะ ไม่บอบช้ำจะเป็นจิตที่สดใสเป็นจิตที่ไม่มีทุกข์ไม่มีโศกตรงนี้นะก็เป็นสิ่งที่เราเองเราก็ต้องฝึกกันหลวงพ่อเทียนเนาะก็ได้เป็นเ็าเรียกว่าเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าเนาะหลวงพ่อเทียนก็เกิดมาหลังจากพระพุทธเจ้าก็เป็น2500ปีแต่ว่าตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเทียนเองก็ได้เอา ก็ เ, เรียกว่าเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาลองทําดูปรากฏว่าเมื่อเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาลองทําดูก็ปรากฏว่าอืก็ได้พบเนาะได้พบสิ่งที่สําคัญก็คื อ, อชีวิตเนี่ยไม่มีทุกข์ก็ได้นะความไม่มีทุกข์ก็มีในตัวเราได้เหมือนกันตรงนี้หลวงพ่อเทียนเองก็ได้เพียรเนาะที่จะสอนเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเอ๊หลวงพ่อเทียนพบว่าวิธีการเนี่ย ที่มีการเคลื่อนไหวเราอาศัยการเคลื่อนไหวเนี่ยมาใช้ในการฝึกจิตของเราเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราเมื่อเราทำถูกทางหลวงพระเทียนก็ใช้เวลาเพียงแค่สองวันนะก็ทำให้ตัวเองเนี่ยได้พบทางว่าชีวิตเราเนี่ยที่กินไปวันหนึ่งอาจจะอิ่มมั่งอิ่มเกินไปมั่งหิวมั่งทุกๆยากๆไปเนี่ยปรากฏว่าเออการกินอยู่หลับนอนที่เราเคยไปวุ่นวายอยู่กับความเป็นทุกข์เนี่ย กับกลายเป็นเราเนี่ยได้ใช้โอกาสที่เรากินอยู่หลับนอนเนี่ยมาเป็นการที่ทำให้ชีวิตของเราไม่ทุกข์ตรงนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทียนเองก็ได้เพียนที่จะสอนหลวงพ่อคำเขียนเนาะที่พวกเราก็คงได้มีโอกาสเจอเนื่องจากหลวงพ่อคำเขียนก็เพิ่งเพิ่งไปกรุงเทพเนาะวันนั้นนั่นคืออาจจะได้มีโอกาสเจอหรือไม่มีโอกาสเจอยังไงก็ตามเนี่ยแต่หลวงพ่อเขียนก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเทียน หลวงพ่อเขียนก็มาฝึกกับหลวงพ่อเทียนแ ล, ล้วหลวงพ่อขเขียนก็ยังถามเนาะฝึกไปฝึกไปแล้วก็ปรากฏว่าเอ๊ะตัวเองก็เหมือนกับยังจับหนจับทางไม่ได้ไม่รู้ว่าเอ๊ะการยกมือเคลื่อนไหมไปมาอย่างที่หลวงพ่อเทียนสอนเนี่ยมันเป็นยังไงกันหลวงพ่อเขียนก็ได้เอ่ยปากถามหลวงพ่อเทียนว่าไอ้อย่างที่ทำทำเนี่ยทุกคนเนี่ยจะรู้อย่างที่หลวงพ่อเทียนรู้กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะหลวงพ่อเทียนก็ยืนยันนะว่าทุกคนก็รู้ หลวงพ่อเขมเขียนก็บอกว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยทำมันนี้ทำมาเนาะเจ็ดวันแปดวันยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเมื่อได้ยินคํายืนยันจากหลวงพ่อเทียนบอกว่าทุกคนก็รู้ได้เหมือนกันคนที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนก็รู้เหมือนกันทุกคนอย่างนี้แหละนั่นนั่นคือตรงเนี้ยหลวงพ่อเขมเขียนก็มีกาลังใจเนาะที่จะฝึกยกมือไปเอามือมาตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ก็คือพวกเรา สุโตเนาะชาวสุขโตโด้วยกันก็ได้รับอานิสงส์ตรงนี้หลวงพ่อเขียนก็ตั้งใจที่จะสร้างสุขโ ต, โตเอาไว้ให้เพื่อเป็นที่ที่ภาวนาตรงนี้พวกเราก็ได้เ็าเรียกว่าได้เห็นได้ฟังได้ยินได้ฟังคำแนะนำในการปฏิบัติเนาะการที่เราอาศัยกายเคลื่อนไหวเนาะ เอาใจมาคอยรับรู้การที่เราอาศัยการเคลื่อนไหวของร่างกายเอาใจมาคอยรับรู้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นการที่เราได้ใช้กายแล้วก็ได้ฝึกใจไปในเวลาเดียวกันคําสอนที่บอกว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมารับรู้เมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมารับรู้ตรงนี้ก็มีสิ่งที่มีความสําคัญก็คือเรามีเครื่องมืออยู่2อย่างเครื่องมือที่เรียกว่ากายเครื่องมือที่เรียกว่าใจเนาะตรงนี้เราก็อาศัยตรงเนี้เนาะ เมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมารับรู้เมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมารับรู้เมื่อก่อนเราอาจจะอาศัยกายที่เคลื่อนไหวเขียนหนังสือบ้างเนาะกินข้าวบ้างเนาะซักผ้าบ้างทำนูน้นทำนี่บ้างเยอะแ ย, ยะไปหมดเลยแต่ว่าตรงนี้นั่นก็คือเราก็ยังคงทำอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราเติมนะเนาะก็เรียกว่าความรู้สึกตัวเข้าไปในสิ่งที่เราเคยทำกันอยู่ เราก็เขียนหนังสืออย่างเดิมนั่นแหละแต่ว่าเติมความรู้สึกตัวเข้าไปในการเคลื่อนไหวการเขียนหนังสือก็มีการเคลื่อนไหวการกินข้าวก็มีการเคลื่อนไหวเมื่อก่อนเราก็กินไปอิ่มไปกินไปอร่อยไปหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านั้นตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าณที่ตรงนี้เนี่ยเราจะอาศัยการเคลื่อนไหวเป็นการภาวนากันเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ อีกมิติหนึ่งที่เราจะต้องหัดกันเนาะการที่เรากินไปอิ่มไปกินไปอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างตัวนั้นก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันอยู่นั่นนั่นคือตรงเนี้ยการที่เราจะฝึกเรื่องใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องอาศัยความพยายามกันนิดนึงเพราะนั่นนั่นคือตรงนี้เวทีตรงนี้เนาพวกเรามามีพระอาจารย์ทรงศิลคอยดูแลมีพระอาจารย์ทรงศิลเคยแนะนาคอยแนะนาอยู่ตรงเนี้ยเนาก็อาจจะ พวกเราก็อาจจะได้ใช้เวลากันทั้งมันทั้งมันทําเรื่องที่เราไม่เคยทํานั่นก็คืออาศัยกายที่เคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้ง2 ส, ส่วนด้วยกันก็คือส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่เราเรียกว่าส่วนที่อยู่ในรูปแบบเนาะจะมีรูปแบบของการนั่งสร้างจังหวะ14จังหวะหรือจะเป็นรูปแบบของการเดินจงกรมแต่มันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการนั่งสร้างจังหวะก็ดี หรือการเดินจงกรมก็ดีตรงเนี้ยก็คือเราอาศัยการเคลื่อนไหวของกายเนาะมาทำให้เราเนี่ยได้มีความคุ้นเคยว่าเมื่อมีการเคลื่อนไหวของกายก็เอาใจมาคอยรับรู้เมื่อมีการเคลื่อนไหวของกายก็เอาใจมาคอยรับรู้ตรงเนี้ยเนาะในขณะที่เมื่อก่อนเนาะเราก็อย่างที่คุ้นเคยเนาะ กินข้าวไปก็อ <m> ร <ix palette> mm ่อยบ้างไม่อร่อยบ้างเผ็ดบ้างเปรี้ยวบ้างตัวนั้นก็เป็นความคุ้นเคยของเราแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเนาะเรามีกายเคลื่อนไหวเนาะเอาใจมาคอยรับรู้เราก็ลองสร้างความคุ้นเคยใหม่อีกอันหนึ่งด้วยการที่สํารวจมาที่ใจของเราว่าใจเราเนี่ยรู้สึกยังไงเนาะใจเรารู้สึกยังไงเราเนาะแบบว่าในขณะที่กายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้ตรงนี้เนี่ยใจเราเนี่ย เป็นทุกข์เหมือนเดิมหรือไม่เป็นทุกข์เนาะตรงนี้เนาะใจเรารู้สึกยังไงบางทีตรงนี้เนี่ยเราจะได้พบว่าในขณะที่เราเนาะได้ตั้งใจที่อยู่ความรู้สึกตัวกันเมื่อตั้งใจที่อยู่ความรู้สึกตัวกันเนี่ยใจเราเนี่ยก็ไม่ไปตกทุกข์ได้ยากอะไรไม่ไปเกลือกกลั้วกับก็เรียกว่าสิ่งที่เป็นกังวลหรือว่าอะไรต่างๆที่เราเคยมีมาบางทีชีวิตของเราเนาะทำงานไป เราก็ไปกังวลว่าเอ๊ะจะได้เงินเดือนขึ้นไหมบางทีทํางานไปก็แบบว่าเอ๊ะพรุ่งนี้ชีวิตเราจะเป็นยังไงสิ่งต่ตางๆนานาเหล่านั้นเนี่ยการที่เราสงสัยการที่เราคาดหวังการที่เราอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยจิตของเราเนาะก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นกังวลแต่พอเวลาที่เมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้เมื่อกา ย, กายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้ณนะช่วงนั้นเนี่ยจิตของเราก็ไม่มีความกังวล ตรงนี้เนี่ยพวกเราลองสังเกตดูเนาะตรงนี้ก็คือสิ่งที่เป็นเาเรียกว่าเป็นมิติใหม่เนาะที่พวกเราจะได้ลองฝึกกันเมื่อพวกเราฝึกกันตรงนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าในขณะที่เราทำการทำงานเนาะอย่างที่นี่เราบอกว่าเราทำงานด้วยการที่เอากายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้หรือเราจะทำงานด้วยการนั่งสร้างจังหวะ14จังหวะหรือเราจะทำงานด้วยการเดินจงกรมก็ดี ตรงนี้เนาะก็เป็นสิ่งที่ผลตอบแทนของการทำงานก็คือผลของความไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเพราะนั้นคือตรงเนี้เนาะเราก็คอยสำรวจกันเนาะแต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยากนิดหนึ่งในขณะที่พวกเราก็คุ้นเคยกันทำงานเนาะเป็นเดือนเนาะเราก็ได้สตังค์มาใช้กันเนาะตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ณนะวันนี้เนี่ยเรามาทำการภาวนากัน ผลของการภาวนาก็คือความไม่ทุกข์พระเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนเรื่องอะไรมากไปกว่านี้นะพระเจ้าสอนเรื่องความไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้บอกได้สอนเนาะสิ่งที่สงสาวกของพระเจ้าได้บอกได้สอนก็คือสอนเรื่องนี้สอนว่าทํำยังไงถึงจะไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นนั่นคือการตรวจวัดเนาะของความก้าวหน้าในการที่เข้ามาอยู่ในสุขโตตรงนี้เนี่ยการที่เราได้เพียรใช้เวลาทั้งวันทั้งวัน ตั้งแต่เช้าตีส4มตเนี่ยจน ก, กระทั่งถึงสามทุ่มเนี่ยก็คือการทำเนาะเพื่อให้ได้ผลตรงนี้วันนั้นนึงคือถ้าพวกเราเนี่ยมีความตั้งใจว่าเราจะพาชีวิตของเราให้เราะก็เรียกว่าลองทําตามสิ่งที่พระเจ้าแนะนำเนี่ยก็คือพาชีวิตของเราเนี่ยให้ทําเรื่องที่จะทําให้ชีวิตของเราไม่มีทุกข์ชีวิตของเราไม่มีทุกข์นี่ไม่มีทุกข์ทางไหนได้บ้างไม่มีทุกข์ทางกายไม่มีทุกข์ทางใจเนาะ นี่ว่าความไม่มีทุกข์ทางกายไม่มีทุกข์ทางใจเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยได้ทำเรื่องมงคลเนาะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราบางทีชีวิตของเราก็ทำเรื่องมากมายเกินไปทำเรื่องเกินไปก็เบียดเบียนกายเนาะเบียดเบียนกายกายที่ก็เป็นปกติอยู่หรือมีทุกข์ของเขาอยู่ มีการหิวมีการปวดฉี่ปวดเอื้อยู่พวกนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แต่พอเราทำเรื่องมากมายเกินไปบางทีเราก็ใช้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นมากมายเกินไปปวดเกิ ด, ปว ด, ก ด, กดปวดเกิดเมื่อยตรงนี้นนก็เป็นสิ่งที่นั่นก็ให้เราได้สำรวจตัวเองเราอาจจะทำเรื่องที่ไม่เป็นมงคลกับชีวิตขึ้นมาเพราะว่านั่นคือร่างกายมันก็จะเขาเรียกว่าออกอาการเนาะที่ผิดปกติให้เราทราบ ทำหนองเดียวกันตรงนี้เนี่ยเวลาเราทํางานทําการต่างๆเราทําเรื่องมงคลให้เกิดขึ้นกับใจเราหรือเปล่าบางทีจิตของเราก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มากมายเกินไปจิตที่เป็นปกติอยู่ไม่มัวหมองไม่เศร้าหมองก็เกิดการเศร้าหมองขึ้นมาก็เกิดการกโกรธ ข, ขึ้นมาสิ่งต่ตางๆนาน า, นานเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่นั่นคือเราไม่ได้ทําเรื่องมงคลให้เกิดขึ้นกับกายกับใจของเรารเพราะนั้นคือตรงนเนี้ยเนาะเราก็ตรวจวัดกัน ต, Yin, ตรวจวัดที่กายตรวจวัดที่ใจเมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจ ม, ม, ม, มาคอยรับรู้เมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้ตรงนี้เนี่ยเราก็ดูกันอยู่สองเรื่องนะก็คือดูที่กายก็ดูที่ใจเมื่อก่อนเราก็ดูกันหลายเรื่องเนาะเราก็เอาตาไปดูเรื่องนอกตัวแล้วก็มีความรู้มากมายแต่ว่าตรงนี้เนี่ยการที่เราจะมีความรู้ใหม่คือความรู้ในการที่จะพาตัวเราเนี่ยออกจากทุกเนี่ยเราก็ต้องฝึกที่เรียกว่าฝึกเนาะ สติเนาะความรู้สึกตัวสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีความเคยชินที่จะมองกลับมาที่กายเรามองกลับมาที่ใจเรามองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจอะไรที่เราทำไปแล้วทำให้ทุกกายมากขึ้นอะไรที่เราทำไปแล้วทำให้เราทุกใจมากขึ้นตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เราเ็าเรียกว่าฝึกเจริญสติกัน จเจริญสติก็คือการมองกลับมาเนาะที่กายเราที่ใจเราเราก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นและความรู้ตรงนี้เนี่ยเป็นความรู้ที่จะทำให้เราได้เกี่ยวข้องกับกายนี้ใจนี้เนี่ยได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นคือการที่เราเกี่ยวข้องกับกายนี้ก็ไม่ทำให้กายนี้ทุกขมากไปกว่าเดิมที่มีอยู่หรือว่าเราทำให้เกี่ยวข้องกับใจนี้เนี่ยเราก็ทาให้ใจเราเนี่ยเป็นปกติเนาะ ไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ตกทุกข์ได้ยากไปนั้นนั่นคือเมื่อกายปกติเมื่อใจปกติเนี่ยทุกข์ก็ไม่มีที่กายทุกข์ก็ไม่มีที่ใจตรงเนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้สอนเอาไว้นั้นนั่นคือตรงนี้นะก็อยากให้พวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยได้เพียรเนานะได้เพียรที่จะสร้างนิสัยใหม่ของเรานิสัยที่เป็นมงคลเนาะนิสัยที่จะทําให้เกิดมงคลกับชีวิตของเราการงานที่เราเคยทําอยู่ก็ทําเป็นปกติใครจะมีหน้าที่การงานยังไง จะเป็นเด็กพื้นผู้ใหญ่ก็มีหน้าที่การงานต่างๆกันไปเยอะแยะไปหมดแต่ว่าตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเทียนเองเนี่ยก็ฉลาดเนาะฉลาดอืก็จริงๆใช่คําว่าฉลาดก็น้อยเกินไปเนาะหลวงพ่อเทียนเองก็ได้เมตตาเนาะกับพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่จะได้สอนเนาะสอนว่าเออพวกเราเนี่ยแทนที่เราจะเคลื่อนไหวปี๋ไปวันวันหนึ่งเนาะกินอยู่หลับนอนพปี๋ไปมีความเคลื่อนไหวทั้งมันเนี่ย ตรงนี้เนี่ยเราลองเอาความเคลื่อนไหวตรงนั้นะมาเป็นการภาวนาหรือมาเป็นการเจริญสติหรือมาเป็นความการทาความรู้สึกตัวจริงๆก็คือเรื่องเดียวกันทั้งหมดตรงเนี้ยนั่นคือเราจะพบว่าทุกวินาทีทุกวินาทนาีของเราเนี่ยมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวที่เราตั้งใจก็ดีหรือไม่เป็นความเคลื่อนไหวที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ดีตรงเนี้ยจริ ง, รงๆรแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยสามารถที่จะ ช่วยโอกาสเนาะเอาความเคลื่อนไหวตรงนั้นเนี่ยมาเป็นการเจริญสติเติมความรู้สึกตัวเข้าไปในความเคลื่อนไหวที่เรามีอยู่เติมเข้าไปในความเคลื่อนไหวที่เรามีอยู่ตรงเนี้ยนะก็ให้พวกเราเนี่ยได้ใช้เนาะเวลาที่พวกเรามีกันอยู่ตรงนี้เนาะเวลานี้พวกเราอยู่กันในสุคโตตั้งใจมากันเพื่อได้เรียนรู้วิธีการเจริญสติเนี่ยก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้ตั้งใจทําเรื่องเนี้ย ให้เต so ็มท the ี่เนื่องจากว่าเจวันที่พวกเราอยู่กันหรือจะเป็นกี่วันก็ดีที่พวกเราอยู่กันตรงนี้ก็ให้พวกเราเนียได้สร้างสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นมงคลกับชีวิตของเราให้พวกเราเนียได้ทำสิ่งนี้ให้เป็นนิสัยของเราถ้าเราทำสิ่งนี้ให้เป็นนิสัยเนียมงคลมันก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเมื่อมงคลเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยตรงนี้ชีวิตของเราก็ดีเนาะคนรอบข้างของเราก็สัมผัสความดีตรงนี้ ในขณะที่พระเจ้าเองเนี่ยได้บอกเนาะเรื่องของการไม่เบียดเบียนเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญว่าในสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันทุกวันเนาะพวกเราได้คิดถึงตรงนี้กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยในขณะที่เราใช้กายไปใช้ใจไปตรงนี้เนี่ยเราเบียดเบียนตัวเองแค่ไหนคาว่าเบียดเบียนก็คือทำให้ชีวิตของเราเนี่ยผิดไปจากปกติเนาะผิดไปจากปกติตรงนี้ นะถ้าหากว่าเราทำชีวิตของเราให้ผิดไปจากปกติตรงนี้เราก็ได้ใช้สิ่งที่เรามีนะเนาะเบียดเบีย น, ย น, ยนตัวเราเองหลวงพ่อมเขียนจะบอกบอกว่าความรับผิดชอบความรับผิดชอบเนาะก็คือการที่ทํำยังไงที่จะทําให้ชีวิตเราไม่ทุกข์ถ้าหากว่าเรารับผิดชอบตัวเองได้เนี่ยเราทําให้ชีวิตของเราไม่ทุกข์ได้ตรงเนี้เนาะจะทําให้คนอื่นไม่ทุกข์ไปด้วยพร้อมๆกันนั่นก็คือตรงเนี้ย เราจะพบว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราทำหนึ่งอย่างเนี่ยจะได้ผลเนี่ยหลายๆลอย่างเราทำแค่อย่างเดียวเนาะแต่ได้ผลหลายอย่างแต่ว่าในขณะที่ชีวิตของเราเคลื่อนมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเราทำอย่างหนึ่งก็ได้ผลอย่างหนึ่งกินข้าวก็อิ่มเนาะทำงานก็ได้เงินเนาะเดินไปก็ไปถึงจุดหมายไปทางหรืออะไรต่างๆนาน า, นานเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่เราเองเนี่ย เราจะพบว่าถ้าหากว่าเราผนวกเอาเนาะความรู้สึกตัวเนี่ยเติมเข้าไปในสิ่งที่เราเคยทำเนี่ยเราจะพบว่าจะได้ก็เรียกว่าก่อประโยชน์เนาะกับชีวิตเราอย่างมหาศาลก่อประโยชน์กับโลกนี้กับสังคมนี้อย่างมหาศาลเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยเนาะเราทำอย่างเดียวก็คือทำเรื่องใหม่เรื่องหนึ่งก็คือทาเรื่องความรู้สึกตัวเนาะทเรื่องการเจริญสติตรงเนี้ย เราจะพบว่าชีวิตของเราเนี่ยที่ล่วงไปวันวันหนึ่งเนี่ยที่เมื่อก่อนเราก็อาจจะตกทุกข์ได้ยากไปเนาะกับการเมื่อยขบบ้างตกทุกข์ได้ยากไปกับการพอใจไม่พอใจกับการโกรธขึ้นอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เยอะแยะไปหมดเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าเราจะมีเรื่องใหม่ทาเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องความรู้สึกตัวที่เรากําลังทํากันอยู่นั่นนั่นคือตรงเนี้ยอยากให้พวกเราได้ใช้โอกาสเนาะของการเคลื่อนไหว14จังหวะตรงเนี้ยเนาะ เป็นเรื่องที่ให้พวกเราเนี่ยได้เกิดความคุ้นเคยในการสร้างมงคลให้กับชีวิตเราหรือว่าเราอาศัยการย่างก้าวที่เราก็เคยย่างก้าวของเราตรงนี้ละ่ะทำให้เป็นการจงกลมเติมความรู้สึกตัวเข้าไปในทุกคำการย่างก้าวตรงนเนี้ยเนาะก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นเนาะรู้สึกตัวกันเมื่อเราเริ่มต้นรู้สึกตัวกันเนี่ยเราสัมผัสความรู้สึกตัวเมื่อไหร่ตรงจุดตรงนั้นเนี่ย ให้พวกเราสำรวจดูเนาะความรู้สึกที่ใจของเราจะเป็นยังไงความรู้สึกที่ใจของเราจะเป็นยังไงแต่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ว่าพวกเราจะรู้สึกตัวก็ดีไม่รู้สึกตัวก็ดีแต่ตรงนี้เนี่ยเมื่อพวกเราเริ่มต้นเนาะที่จะเจริญสติกันเริ่มต้นที่จะเรียนรู้เรื่องความรู้สึกตัวกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยเมื่อไม่รู้สึกตัวเนี่ยนั่นก็หมายความว่าสติเรา ก็ได้รู้แล้วว่าเราไม่รู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวกันก็สติก็ได้รู้แล้วว่านี่เรารู้สึกตัวกันเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยก็หมายถึงว่าเราเนี่ยรู้สึกได้นะว่าอื้มกายเราเคลื่อนไหวอยู่เมื่อเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยเราก็รู้สึกได้นะว่าอืมตอนนี้เนี่ยเรากําลังใจเราหลงไปคิดอยู่เพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยเนาะในขณะที่เรากําลังเพียรทําตรงนี้อยู่ ความรู้สึกตัวไม่ใช่เป็นความถูกความไม่รู้สึกตัวไม่ใช่เป็นความผิดเพราะนั้นันคือตรงนี้เนี่ยเราได้ฝึกที่จะรู้สึกตัวกันแล้วเราได้ฝึกที่จะเรียนรู้เรื่องสติกันแล้วเราได้ฝึกที่จะเรียนรู้เรื่องการใช้สติในการมองกลับมาที่กายที่ใจเราแล้วตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อมเขียนก็จะมีคำสั้นๆเนาะที่บอกว่าเราเนี่ยหัดที่จะเป็นผู้ดูไม่ใช่เป็นผู้เป็นที่เราคุ้นเคยกัน การเป็นผู้ดูหรือเป็นผู้เป็นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นคําสั้นๆเนาะที่เป็นสิ่งที่เราฝึกเพื่อที่จะเป็นผู้ดูกันดูกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้ดูกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้ตรงเนี้ยเนาะคือสิ่งที่อยากให้พวกเราเนี่ยได้ฝึกที่จะเป็นผู้ดูเพราะว่าถ้าเราฝึกเป็นผู้ดูเนี่ยความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นเนาะเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราเห็นถ้าเรา เป็นอย่างที่เราเคยเป็นก็คือเป็นผู้เป็นตรงนั้นอะทุกเป็นของเราเนาะเราเป็นทุกเราเป็นสุขแต่ว่าตรงนี้ถ้าเราฝึกที่จะเป็นผู้ดูกันทุกก็อยู่เนาะให้เราได้เห็นสุขก็ให้เราได้เห็นเราก็เห็นเสาเนาะเห็นเพื่อนเห็นอะไรต่างๆนานาเขาก็ไม่ใช่ของเราเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยเนาะนั่นคือเมื่อเขาไม่ใช่ของเราเนี่ยกายนี้ใจนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรามีอยู่และเราก็ใช้ไปเนาะ เรามีอยู่แล้วเราก็ใช้ไปเราก็จะใช้กายนี้ใจนีเนี่ยให้เป็นประโยชน์ได้มากกว่าที่เราเคยเคยๆ ค, คุ้นเคยที่จะใช้กันเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยอยากให้พวกเราได้ฝึกกันการฝึกเจริญสติฝึกรู้สึกตัวเนาะจะเป็นสิ่งที่พาให้ชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยก็เขเรียกว่าพ้นทุกเป็นอลำดับพ้นทุกทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวบ่อยครั้งแค่ไหน พวกเราก็น้อยลงไปแค่นั้นนั่นนั่นคือตรงนี้พวกเราเนาะอยู่สุกโตกันมาไม่ว่าจะอยู่กี่วันก็ตามเนี่ยเราจะพบว่าชีวิตของเราเนี่ยก็ทุกน้อยลงทุกน้อยลงเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยทุกความเคลื่อนไหวของเราอาศัยความเคลื่อนไหวของเรามาเติมความรู้สึกตัวเข้าไปชีวิตของเราก็จะเดินทางไปสู่จุดที่เรียกว่าไม่มีทุกได้กันทุกๆคนนั่นก็ขออวยพรให้พวกเราเนาะ ได้ทำเนาะสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตของพวกเราตรงนี้เนี่ยชีวิตของพวกเราก็จะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางก็คือจุดที่ชีวิตนี้มีสิทธิ์ที่จะไม่ทุกข์ก็พวกเร า, า, าพร้อมกัน